เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่สิห้าตอนอัตฐกถาธรรมบทปลาจากพระบาลีภาคที่สเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทากวงศ์อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยโอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณสันติชัยวีรกิจโกศลคุณเยาวลักษณ์คงคาสุวรรณคุณเพลินพิษพระโพ คุณนพลพะวังสวัสดิ์คุณสศิธรแหนมใสและคุณพลรพาพุทธจันทร์พระธะรรมปทักราแปลภาคที่สี่เรื่องพระชั น, นะกล่าววจีทุจริตพระสัสดาประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารพระชั น, นะเทระดังได้สดับมา ท่านพระชนน์นั้นด่าพระอัครส า, าวกทั้งสองว่าเราตามเสด็จออกมากับพระลูกเจ้าเวลานั้นมิได้ไล่เห็นผู้อื่นแม้สักคนเดียวแต่บัดนี้ท่านกล่าวว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคลานะเราเป็นอัครส า, าวกพระศัสดาทรงสดับข่าวเรียกพรชะชันน์มาตรัสสอนท่านนิ่งเท่านั้นแต่ก็ยังกลับไปด่าพระเทราทั้งหลายเหมือนเดิม พระสัสดารับสั่งให้หาขณะซึ่งกำลังด่ามาแล้วตรัสสอนอย่างนั้นถึงสามครั้งทรงตรัสเตือนว่าช น, นะชื่อว่าอัคราสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษชั้นสูงของเธอเธอจงคบกัลยาณมิตรนี้ทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควครคบป่าประมิตรไม่ควครคบบุรุษต่ำช้าควครคบกัลยาณมิตร ควครคบบูรุษสูงสุดคนผู้ยินดีอกุศลกรรมมีกายวาจาใจทุจริตชื่อว่าป่าปามิตรเป็นปาปามิตรบุรุษตามช้าไม่ควครคบไม่ควร น, นั่งใกล้ฝ่ายชนผู้เป็นทั้งกัลยาณมิตรทั้งสัตบุรุษเป็นบุคคลควครคบควร น, นั่งใกล้ท่านเหล่านั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิพลเป็นต้นพระสาสดารับสั่งให้ลงพระมธันระชันนะฝ่ายพระชันนะแม้ได้ฟังโอวาทแล้วก็ยังด่าขู่พระภิกษุอยู่อีกเหมือนในยกก่อนนั่นเองพระสาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเธอจะไม่อาจทำให้ชันนะสำนึกผิดได้แต่เมื่อเราปริญพานแล้วจึงจะอาจทาได้ รันเมื่อเวลาใกล้ปรินิพานพระอา น, นุทูลถามพระศัสดาว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับท่านช น, นะพระองค์ตรัสว่าพวกเธอพึงลงพรมทานแก่ชันนะภิกษุเถิดพระชนนะนั้นเมื่อพระศัสดาเสด็จปรินิพานแล้วได้ฟังพรหมทานที่พระอา น, นุเทระยกขึ้นแล้วก็ทุกเสียใจล้มสลบถึงสามครั้งแล้ววิงวอนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านอย่าให้กระผมชิบหายเลยดังนี้แล้วต่อการไม่นานพระชนะบําเพ็ญวัดอยู่โดยชอบก็บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วดังนี้แหละหมายเหตุบําเพ็ญวัดอยู่โดยชอบด้วยไม่มีมานะถือดีอวดดีไม่อนุปวาโทไม่พูดร้ายไม่กล่าวเดียรัจฉานคาถา ไม่อิสาริษยาผู้ใดไม่มีเขาไม่มีเราประพฤติชอบในสัมมามัติปิปทาละคลายยึดถือตัวตนได้ก็รู้แจ้งเห็นตามเป็นจริงว่าไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยมีแต่รูปกับนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาละสมมุติก็พึงถึงวีมุติ